นอัตมาสรบสามผลรอดตายครั้งนั้นไม่เห็นใครทราบและร่ำลือบ้างจนเลยขั้นสรบและขั้นตายมาแล้วจึงมาเล่าเรือกันหาประโยชน์อะไรอยากได้ของดีที่มีอยู่กับตัวเราทุกคนก่อพากันปฏิบัติเอาทำเอาเมื่อเวลาตายแล้วจึงพากันวุ่นวายหานิมนพระมาให้บุญกุศลามาติกานั่นไม่ใช่เกาถูกที่คันนะจะว่าไม่บอกต้องรีบเ้าให้ถูกที่ขันเสียแต่บัดนี้โรคคันจะได้หาย คือเร่งทำความดีเสียแต่บัดนี้จะได้หายห่วงหายห่วงกับอะไรๆที่เป็นสมบัติของโลกมิใช่สมบัติอันแท้จริงของเราแต่พากันจับจองเอาแต่ชื่อของมันปเปล่าๆตัวจริงไม่มีใครเหลียวแลสมบัติในโลกเราสแสวงหามาเป็นความสุขแก่ตัวก็พอหาได้จะแสแวงหามาเป็นไฟเผาตัวก็ทําให้ฉิบหายได้จริงๆข้อนี้ขึ้นอยู่กับความฉลาดและความโง่เขลาของผู้สแสวงหาแต่ล ะ, ะราย ท่านผู้พ้นทุกไปได้ด้วยความอุตสาหสร้างความดีใส่ตนจนกลายเป็นสารณะของพวกเราจะเข้าใจว่าท่านไม่เคยมีสมบัติเงินทองเครื่องหวงแหนอย่างนั้นหรือเข้าใจว่าเป็นคนร่ำรวยสวยงามเฉพาะสมัยของพวกเราเท่านั้นหรือจึงพากันรักพากันหวงพากันหวงจนไม่รู้จักเป็นรู้จักตายบ้านเมืองเราสมัยนี้ไม่มีป่าช้าสาหรับฝังหรือเผาคนตายอย่างนั้นหรือ จึงสําคัญว่าตนจะไม่ตายและพากันประมาชนลืมเนื้อลืมตัวกลัวแต่จะไม่ได้กินได่นอนกลัวแต่จะไม่ได้เพลิ ด, ดเพลินเพราะหนึ่งโลกจะดับสูญจากไปในเหนียวนี้จึงพากันรีบตักตวงเอาแต่ความไม่เป็นท่าใส่ตนแทบหาให้ไหวอันสิ่งเหล่านี้แม้แต่สัตว์เขาก็ไม่ได้เหมือนมนุษย์เราอย่าสําคัญตนว่าเก่งกาจสามารถฉลาดรู้ยิ่งกว่าเขาเลยถึงกับสร้างความมืดมิดปิดตาทับถมตัวเอง จนไม่มีวันสั่งซาเมื่อถึงเวลาจนตรอกอาจจนยิ่งกว่าสัตว์ใครจะไปทราบได้ทำไมเตรียมทราบไว้เสียแต่ปัดนี้ซึ่งอยู่ในฐานะที่ควรอัตมาต้องขออภัยด้วยถ้าพูดหยาบคายไปแต่คำพูดที่สั่งสอนให้คนละชั่วทำดียังจัดเป็นคำหยาบคายอยู่แล้วโลกเราก็จะถึงคราวหมดสินส้นศาสนาเพราะไม่มีผู้ยอมรับความจริงการทาบาปหยาบคายมีมาประจาตนแทบทุกคน ทั้งให้ผลเป็นทุกข์ตนยังไม่อ่านรู้ได้และตำหนมิมันบ้างพอมีทางคิดแก้ไขแต่กลับตำหนิคำสั่งสอนว่าหยาบคายนับว่าเป็นโรคที่หมดหวังตอนนี้ต้องขออภัยท่านสุภาพชนทั้งหลายที่ได้บางอาจเขียนแบบคนไม่มีสติอยู่กับตัวเอาเลยท้งนี้เพื่อท้งนี้ความมุ่งหมายเพื่อสงวนธรรมที่ท่านเมตตาแสดงในบางครั้งให้คงเส้นคงวาไว้บ้างเพื่อบางท่านได้พิจารณาถึ เอาความจริงในธรรมนี้ไม่อยากให้ลดลงจากระดับเดิมของท่านจึงพยายามหลับหูหลับตาเขียนไปตามเนื้อหาสำหรับปัญหาธรรมนั้นไม่ว่าท่านไปพักที่ไหนมีคนมาเรียนถามมิได้ขาดแต่ไม่สามารถจดจำได้ทุกบททุกบาททั้งอาจารย์ทั้งหลายที่กรุณาให้ตนฉบับมาแต่ละองค์และผู้เขียนจำมาเองประโยคใดที่สะดุดใจประโยคนั้นก็จำไว้ได้และบันทึกไว้ ประโยคที่ไม่สะดุดใจก็หลงลืมจำต้องปล่อยให้ผ่านไปท่านพักนครราชสีมาพอสมควรแล้วออกเดินทางต่อไปจังหวัดอุดรธานีมาถึงขอนแก่นทราบว่าพี่น้องชาวขอนแก่นไปรอรับท่านที่สถานีขับขัง้งและพร้อมกัารรัตนาท่านให้ลงแวะพักเมตตาที่ขอนแก่นก่อนแล้วค่อยเดินทางต่อไปอุดรแต่ท่านไม่อาจแวะตามคานิมนต์ได้ จึงพากันพลาดหวังไปบ้างในโอกาสที่ควรจะได้นั้นเมื่อท่านถึงอุดรทราบว่าท่านตรงไปพักวัดโพธิสมพรกับท่านเจ้าคุณธรรมเจดีก่อนมีประชาชนจากจังหวัดน้องคายบ้างสกลนครบ้างอำเภอต่างๆของจังหวัดอุดรบ้างมารอกราบน้ำมการท่านจากวัดโพธิสมพรก็ไปพักที่วัดโ น, นนิเวศและจำพรษาที่นั่นเวลาท่านจำพรรษาที่วัดโ น, นนิเวศ ท, ทราบว่า ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีวัดโพได้พาคณะสัตยาทั้งข้าราชการและพ่อค้าประชาชนไปรับโอวาทท่านทุกวันพระตอนเย็นเย็ น, ยนมิได้ขาดเพราะท่านเจ้าคุณธรรมเองอุตส่าห์เดินทางไปอาราธนาที่บนท่านอาจารย์มั่นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งไกลแสนไกลและยังอุตส่าห์ดลดันเข้าไปจนถึงที่อยู่ของท่านด้วยจึงได้องค์ท่านมาโปรโดเช้าดอนเป็นต้นสงความปรารถนาท่านเจ้าคุณธรรม จึงเป็นผู้มีพระคุณมากแก่พวกเราที่ได้เห็นได้ยินธรรมท่านเวลามาถึงอุดรแล้วปกติท่านจ้คุณเป็นผู้สนใจในธรรมปฏิบัติเป็นประจำนิสัยมาดั้งเดิมถ้าพูดปุยธรรมกับท่านนานเท่าไหร่ท่านไม่แสดงอาการเหน็ดเหนื่อยให้ปรากฏเลยยิ่งเป็นธรรมฝ่ายปฏิบัติ ด, ด้วยแล้วท่านยิ่งชอบเป็นพิเศษท่านรักและเลื่อมใสท่านอาจารย์มา ก, มากเวลาท่านพระอาจารย์อยู่อุดร ท่านเป็นผู้เอาใจใส่เป็นพิเศษและคอยสอบถามความสุขความทุกข์ท่านอาจารย์จากใครต่อใครอยู่เสมอนอกจากนั้นยังพยายามชักชวนให้ประชาชนไปรู้จักและสนิทสนมกับท่านอาจารย์อยู่เสมอถ้าเขาไม่กล้าไปท่านเป็นผู้พาไปเองโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยคุณธรรมท่านในข้อนี้รู้สึกว่าเด่นมากเป็นพิเศษและน่าเลื่อมใสมากออกภาษาแล้วอากาศแห้งแล้ง ท่านอาจารย์ชอบออกไปวิเวกอยู่ตามบ้านนอกเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมตามนิสัยบ้านหนอง น, องน้ำเค็มที่อยู่ห่างตัวเมืองราวสามร้อยเส้นเป็นหมู่บ้านที่ท่านชอบไปพักเป็นเวลานานๆหมู่บ้านนี้มีป่าไม้ร่มรื่นดีเหมาะกับการบำเพ็ญธรรมท่านพักจำพรรษาอยู่จังหวัดอุดร น, นับว่าได้ทําประโยชน์แก่ประชาชนพระเนรยอย่างมากมายแถบจังหวัดและอำเภอใกล้เคียงกับจังหวัดอุดรที่ท่านพักอยู่ มีประชาชนและประสงค์ทยอยกันมาบำเพ็ญกุศลและสับธทธีท่านมิได้ขาดเพราะท่านเหล่านี้โดยมากก็เคยเป็นลูกศิษย์เก่าแก่สมัยที่ท่านมาบำเพ็ญอยู่ก่อนเดินทางไปยังเชียงใหม่แล้วดังนั้นเมื่อทราบว่าท่านมาจึงทางมีความดีใจกระยินยิ้มแย้มอยากมาพบมาเห็นและทำบุญให้ทานสับตรับฟังโอวาทกับท่านในระยะนั้นอายุท่านยังไม่แก่นักราวเจ็ดสิปี การไปมาในทิศทางใดก็พอสะดวกอยู่บ้างประกอบกับท่านมีนิสัยคล่องแคล่วว่องไวลุกง่ายไปเร็วอยู่ด้วยและไม่ชอบอยู่ในที่แห่งเดียวเป็นประจำชอบเที่ยวซอกแซกตามป่าตามเขาที่เห็นว่าสงบสงัดปราศจากสิ่งก่อกวนที่อุดรก็ปรากฏว่ามีผู้มาเรียนถามปัญหาทำกับท่านบ่อยๆเช่นที่อื่นๆเหมือนกันปัญหาที่เขาถามท่านมีคล้ายคลึงกับปัญหาที่ผ่านมาแล้วก็มี ที่แตกต่างกันออกไปตาตามความคิดเห็นของผู้ถามก็มีที่คล้ายคลึงกันได้แก่ปัญหาที่เกี่ยวกับบุพเพสนิวาตของสัตว์ที่เคยสร้างความดีมาเป็นลำดับไม่ละนิสัยวาสนาของตนหนึ่งบุพเพสนิวาตของสามีภรรยาที่เคยครองรักอยู่ร่วมกันมาหนึ่งทั้งสองข้อนี้ท่านว่ามีผู้สงสัยถามมากกว่าข้ออื่นๆในข้อแรก ท่านไม่ได้ระบุปัญหาที่เขาถามลงอย่างชัดเจนว่าเขาถามอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นแต่ท่านปรารบแล้วอธิบายไปเองทีเดียวว่าสิ่งเหล่านี้ต้องมีการริเริ่มกอ่อตั้งเจตนาขึ้นมาให้เป็นทางเดินแห่งภพชาติของผู้เกี่ยวข้องกับตนและตนจะเกี่ยวข้องกับผู้นั้นส่วนข้อต่อมาท่านระบุปัญหาที่เขาถามว่าคาว่าบุพเพสนิวาสนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่า หญิงชายรักกันอย่างนี้เป็นบุเพสนิวาต ร, รักกันอย่างนั้นไม่ใช่บุเพสนิวาตและอยู่ร่วมกันกับคนนี้เป็นบุเพสนิวาสอยู่ร่วมกันกับคนนั้นไม่ใช่บุเพสนิวาตท่านตอบว่าสําหรับพวกเรายากจะมีทางทราบได้ว่ารักอย่างนั้นและรักคนนั้นเป็นบุเพสนิวาตรักอย่างนั้นและรักคนนั้นไม่ใช่บุเพสนิวาสก็รักและอยู่ร่วมกันไปแบบคนทาบอด เกิดความหิวจัดว่าหาอาหารมารับประทานนั่นแหละอะไรถูกมือก็รับไปพอประทังชีวิตไปวันหนึ่งวันหนึ่งบุพเพสันนิวาตก็เช่นเดียวกันทั้งที่มีอยู่กับสัตว์บุคคลทั่วไปแต่จกว่าถูกจุดของบุพเพสนิวาตคือรักและอยู่ร่วมกับผู้เคยเป็นบุพเพสันนิวาสกันนั้นเป็นสิ่งที่หาเจอได้ยากมากเนื่องจากกิเลสตัวรักๆนี้มันไม่ได้ไว้หน้าใครและไม่ได้รอคอยให้บุพเพสันนิวาต มาวินิจฉัยหรือตัดสินก่อนมันขอแต่ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายที่ต้องขับเพศและนิสัยของมันแล้วเป็นต้องรักและว่าดะไปเลยกิเลสตัวรักนี่แหละพาให้คนเป็นนักต่อสู้แบบไม่รู้จักเป็นรู้จักตายไม่รู้จักสูงจักต่ำไม่รู้จักใกล้จักไกลไม่รู้จักเลือกสรรปันแบ่งว่ามากไปหรือน้อยไปควรหรือไม่ควรเพียงใดมีแต่จะสู้ตายเอาท่าเดียวไม่ยอมแพ้ แม้จะพลาดท่าหรือตายไปก็ยังไม่ยอมทิ้งลวดลายที่เคยเป็นนักต่อสู้เอาเลยนี่แลเรื่องของกิเลสตัวรักมันแสดงตัวเด่นอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกอย่างเปิดเผยไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของใครเอา ง, ง่ายๆผู้ถ่งการมีหลักฐานและความมีประมาณเป็นเครื่องทรงตัวไว้บ้างจึงไม่ควรปล่อยให้มันวิ่งแสงหน้าไปตามนิสัยด้วยถ่ายเดียวควรมีการหักห้ามคันบ้างพอมีทางตั้งตังตวแม้จะไม่ทราบบุเพสันนิบาตของตัว ก็ยังพอมีทางยับยั้งใจได้บางไม่ถูกมันจับถูไถเข้าถ้ำเข้ารูลงเหียวตกบ่อไปท่าเดียวความรู้บุเพสันิวาสของตนนี้ถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติจิตภาวนาซึ่งมีนิสัยในทางรู้เหตุการณ์ต่างๆก็ยากที่จะทราบได้แต่อย่างไรก็ตามเราควรมีสติหักห้ามมันอยู่เสมออย่าปล่อยให้มันพาไหลลงสู่ที่โสม ม, มแบบน้ำล้นฝั่งไม่มีอะไรกั้นกนแล้วกันยังพอจะมีหวังครองตัวไปได้ ไม่จอดจมหลมลึกลงในกลางทะเลแห่งความรักอันไม่มีประมาณเลยถ่ายเดียวเขาถามท่านอีกปัญหาหนึ่งว่าระหว่างสามีภรรยาที่อยู่ที่อยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกเย็นใจตลอดมาไม่ประสงค์จะให้พลัดพรากจากกันในพบต่อไปเกิดในชาติใดพบใดขอให้ได้เป็นสามีภรรยากันตลอดไปจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะสมหวังถ้าต่างคนต่างตั้งความปรารถนาให้ได้พบกันทุกพทุกชาติจะเป็นไปได้ไหม ท่านตอบว่าความปรารถนานั้นเป็นเพียงเส้นทางเดินของจิตใจผู้มุ่งหมายเท่านั้นถ้าไม่ดำเนินตามความปรารถนาก็ไม่เกิดประโยชน์ตามความมุ่งหมายเช่นคนต้องการเป็นคนร่ำรวยแต่เกียคร้านในการสแสวงหาทรัพย์ความร่ำรวยก็เป็นไปไม่ได้ต้องอาศัยความขนวนขวายตามเจตนาจำนองที่ตั้งไว้ด้วยจึงจะสมหวังนี่ก็เหมือนกันถ้าต้องการเป็นสามีภรรยา ครองรักกันยังมีความสุขทุกภพทุกชาติไปไม่อยากพลัดพรากจากกันต้องมีจิตใจคือทัศน์ตรงกันต่างคนต่างอยู่ในขอบเขตของกันและกันไม่ชอบสแสวงหาเศษหาเลยอันเป็นการทาลายจิตใจและความสุขความไว้วางใจกันต่างคนเป็นผู้รักศีล ร, รักธรรมมีความประพฤติดีไว้วางใจกันได้ความรู้ความเห็นลงรอยกัน ต่างพยายามรักษาความปรารถนาด้วยการทำดีย่อมมีทางสมหวังได้ไม่เหนือความพยายามของผู้ปรารถนาไปได้เลยแต่ถ้าความประพฤติทุกด้านแบบตรงแบบตรงกันข้ามหรือสามีดีแต่ภรยาชั่วหรือภรยาดีแต่สามีชั่วต่างคนต่างทาความชอบใจไม่ลงรอยกันแม้ต่างจะปรารถนาสักกี่ร้อยกี่พันครั้งก็ไม่มีทางสาเร็จเพราะเป็นการทำลายความปรารถนาของตน ท่านย้อนถามว่าโยมปรารถนาเพียงอยากอยู่ร่วมกันเท่านั้นไม่ปรารถนาอะไรอื่นบ้างหรือเขาตอบท่านว่านอกนั้นก็ไม่ทราบว่าจะปรารถนาอะไรอีกเพราะความปรารถนาอยากได้เงินได้ทองอยากได้บริษัทบริวารอยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์อยากเป็นพระมหากษัตริย์อยากไปสวรรค์นิพพานก็ยังอดลืมภริยาซึ่งเป็นที่รักไม่ได้อยู่นั่นเองเพราะนี้เป็นจุดใหญ่แห่งความปรารถนาของโลก เลยต้องปรารถนาสิ่งนี้ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่สำหรับปุถุชนก่อนจากนั้นถ้าพอเป็นไปได้ค่อยพิจารณากันไปกระผมจึงเรียนถามเรื่องนี้ก่อนแม่กลัวท่านดุและอายท่านก็ทนเอาเพราะความจริงของโลกโดยมากเป็นกันอย่างนี้ทั้งนั้นเป็นแต่จะกล้าพูดหรือไม่เท่านั้นท่านหัวเราะแล้วถามเขาว่าถ้าเป็นดังที่ว่านี้โยมไปไหนก็จะต้องเอาแม่เด็กไปด้วยใช่ไหมเขาหัวเราะบ้าง แล้วเรียนท่านว่ากระผมอาจจะเรียนท่านตามความหยาบของปุถุชนที่เป็นอยู่ภายในแต่ความจริงแล้วเท่าที่กระผมยังบวชไม่ได้จนบันนี้ก็เพราะเป็นห่วงแม่เด็กกลัวเขาจะว้าเวยเป็นทุกข์ไม่มีผู้ปรึกษาปรารภและให้ความอบอุ่นแก่เขาเท่าที่ควรลูกๆนอกจากจะมารบกวนขอเงินไปซื้อนั่นซื้อนี่และเรื่องอื่นๆซึ่งเป็นเรื่องควรใจให้ยุ่งแล้วก็ยังมองไม่เห็นว่าเขาจะมีความสามารถ ทำให้แม่มีความอบอุ่นและสบายใจได้ในทางไหนบ้างผมจึงอดเป็นห่วงเขาไม่ได้อีกประการหนึ่งสวรรค์ชนนั้นตามธรรมท่านบอกไว้ว่ามีทั้งเทวบุตรเทวทิดาซึ่งแสดงว่ามีทั้งหญิงทั้งชายเหมือนแดนมนุษย์เราและมีความสุขความสําราญด้วยเครื่องบํารุงบํงบงนาเรอนานาชนิดซึ่งเป็นสถานที่น่าไปและน่าอยู่มากแต่พรหมโลกไม่ปรากฏว่ามีเทวบุตรเทวทิดาเหมือนมนุษย์และสวรรค์เลย เมื่อเป็นเช่นนั้นจะไม่ว้าเวะไปหรือเพราะไม่มีผู้คอยปลอบโยนเอาอกเอาใจในเวลาเกิดความโกรธหงิกใจขึ้นมายิ่งนิพพานไปแล้วยิ่งไม่มีอะไรไปเกี่ยวข้องสัมผัสเอาเลยเป็นตัวของตัวโดยสมบูรณ์ทุกอย่างไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นผู้ใดเข้าไปช่วยเหลือหรือเกี่ยวข้องบ้างเลยเป็นตัวของตัวแท้ๆและจะมีอะไรเป็นที่ภาคภูมิใจและเทิดจิีตว่าพูดถึงนิพพานแล้วเป็นผู้ได้รับความภาคภูมิใจ ทางเกียรติยศชื่อเสียงเรียงนามและความสุขความสบายจากบรรดาท่านผู้ถึงนิพพานด้วยกันอย่างมนุษย์ผู้มีฐานะดีมีสมบัติมากมีเกียรติยศสูงได้รับความยกย่องสรรเสริญจากเพื่อนมนุษย์หญิงชายด้วยกันท่านที่ไปนิพพานแล้วเห็นเงียบไปเลยไม่มีพวกเดียวกันยกย่องสรรเสริญท่านจึงทําให้สงสัยว่าการเงียบไปเลยเช่นนั้นจะเป็นความสุขได้อย่างไรกระผมต้องขอประธานโทษที่มาถามพระบาบๆ ไม่เคาเรพเคาราวเหมือนคนที่มีสติทั่วๆไปแต่ก็เป็นความสงสัยทําให้ลําบากใจยอยู่ไม่หายถ้ามาได้เรียนถามท่านผู้รู้ให้หายสงสัยเสียก่อนท่านตอบว่าสวรรค์พรมโลกและนิพพานไม่ได้มีไว้เฉพาะคนขี้สงสัยแบบโยมแต่มีไว้สําหรับผู้มองเห็นคุณค่าของตัวและคุณค่าของสวรรค์พรมโลกและนิพพาน ว่าเป็นของดีมีคุณค่าต่างกันขึ้นไปตามระดับชั้นและความดีของผู้ที่ควรจะได้จะถึงตามลำดับคนแบบโยมสวรรค์พรหมโลกและนิพพานคงไม่ได้ฝันถึงเลยแม้โยมจะไปก็ยังไปไม่ได้ถ้าแม่เด็กยังอยู่หรือแม่แม่เด็กตายไปโยมก็จะอดคิดถึงไม่ได้และจะมีโอกาสคิดถึงสวรรค์ น, นิพพานพอจะหาเวลาคิดเพื่อจะไปได้อย่างไร แม้พรหมโลกและนิพานก็ไม่ได้ดีกว่าแม่เด็กสําหรับความรู้สึกของโยมเพราะพรหมโลกและนิพานบํารุงบําเรอโยมไม่เป็นเหมือนแม่เด็กโยมจึงสงสัยและไม่อยากไปกลัวจะขาดผู้บํำเรยดุ้งเล็บตอนนี้ท่านว่าทั้งท่านทั้งเขาเคาะถูกใจอันความสุขที่เกิดจากสิ่ง ต, ต่างๆนั้นแม้ในโลกมนุษย์เรายังต่างกันตามชนิดของสิ่งนั้นๆที่มีรสต่างกันแม้ประสาทเครื่องรับสิ่งเหล่านั้น ที่มีอยู่ในร่างกายอันเดียวกันก็ยังนิยมรับสัมผัสต่างๆกันเช่นตาชอบสัมผัสทางรูปหูชอบสัมผัสทางเสียงจมูกชอบสัมผัสทางกลิ่นลิ้นชอบสัมผัสทางรสกายชอบสัมผัสทางเย็นร้อนอ่อนแข็งใจชอบสัมผัสทางอารมณ์ต่างๆตามหน้าที่และความนิยมของตนจะให้รสนิยมเหมือนกันย่อมไม่ได้การรับประทานเป็นความสุขทางหนึ่ง การพักผ่อนนอนหลับเป็นความสุขทางหนึ่งการครองรักตามประเพณีของโลกเป็นความสุขทางหนึ่งแต่อย่าลืมว่าการทะเลาะกันเพราะความเห็นขัดแย้งกันด้วยเรื่องต่างๆก็เป็นความทุกข์ทางหนึ่งฉะนั้นโลกจึงไม่ขาดจากการสัมพันธ์ติดต่อกันกับสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นความสุขตลอดมาและจำต้องสแสวงกันทั่วโลกจะขาดมิได้ความสุขในมนุษย์และสัตว์ที่ได้รับตามภูมิของตนเป็นความสุขประเภทหนึ่ง ความสุขในสวรรค์และพรหมโลกเป็นความสุขประเภทหนึ่งความสุขในพระนิพพานของท่านผู้สิ้นกิเลสเครื่องกัวลใจโดยประการทั้งปวงเป็นความสุขประเภทหนึ่งต่างจากความสุขที่โลกมีกิเลสทั้งหลายได้รับกันจะให้เป็นความสุขเหมือนแม่เด็กเสียทุกอย่างแล้วโยมก็ไม่จําเป็นต้องดูรูปฟังเสียงรับประทานอาหารพักผ่อนหลับนอนและสแสวงหาคุณงามความดีมีการให้ทานรักษาศีลภาวนาเป็นต้นให้ลำบาก เพียงอยู่กับแม่เด็กเท่านั้นความสุขจากสิ่งต่างๆก็ไหลามารวมในที่นั้นหมดซึ่งเป็นการตัดปัญหาความยุ่งยากลงได้เยอะแยะแต่คุณจะให้เป็นดังที่วานี้ได้ไหมเพราตอบว่าโอ้โหจะได้อย่างไรท่านอาจารย์แม้แต่กับแม่เด็กบางครั้งยังมีการทะเลาะกันได้จะสามารถนำความสุขจากสิ่งต่างๆมารวมกับเขาคนเดียวได้อย่างไรก็ยิ่งจะทาให้ยุ่งใหญ่ท่านลาวเขาเป็นคนมีนิสัยอาถรรพ์และตรงไปตรงมา ทังรักศีลรักธรรมดีมากสําหรับคราวาที่มีความใฝ่ใจในธรรมและมีความจงรักภักดีต่อครูอาจารย์มากมายท่านจึงได้สละเวลาพูดคุยทำกั น, นแบบพิเศษเป็นกันเองแทบทุกครั้งที่เขามาเยี่ยมท่านเวลาปล่อยจากแขกปกติก็ไม่ค่อยมีใครสามารถมาถามท่านแบบเขาได้เลยเขาเป็นคนมีนิสัยรักลกูกรักเมียมากเคยมากราบเยี่ยมท่านบ่อยครั้ง ด้วยความรักเลื่อมใสท่านมากเวลามีแขกอยู่กับท่านเขาเพียงมากราบแล้วก็หลีกหนีไปทำงานอะไรช่วยพระเนนไปตามนิสัยของคนสนิทกับวัดถ้าไม่มีคนนั่นแหลเป็นโอกาสที่เขาจะกราบเรียนถามเรื่องอะไรต่างๆตามแต่เขาถนัดท่านชอบเมตตาเขาด้วยแทบทุกครั้งที่เขามาสบโอกาสมาเหมา ะ, มาะสำหรับท่านพระอาจารย์มั่นแล้วท่านฉลาดและรู้นิสัยของคนได้ดีมากหาที่ตาหนิไม่ได้ คนทุกชั้นทุกเพศทุกวัยมหาท่านการปฏิสันฐานทางกิริยาจะไม่เหมือนกันเลยทั้งการพูดธรรมดาและอธรรมต้องต่างกันไปเป็นเรื่อยของผู้มาเกี่ยวข้องดังที่เขียนผ่านมาบ้างแล้วท่านพักอยู่วัดนนิเวศอุดรพระมาจะมาสากับท่านมากและที่มาอบรมศึกษามีมากตลอดมาวัดนนิเวศแต่สมัยก่อนที่ท่านพักอยู่มีความสงบมากกว่าทุกวันนี้รดราผู้คนไม่มาก ผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับวัดโดยมากเป็นผู้หวังบุญกุศลจริงๆไม่ได้เข้าไปแบททำลายทั้งที่มีเจตนาและไม่มีเจตนาการบำเพ็ญเพียรของพระเนนก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามเวลาที่ต้องการฉะนั้นพระที่ทรงคุณธรรมทางใจจึงมีมากพอเป็นเครื่องอบอุ่นแก่ตัวเองและประชาชนผู้หวังพึ่งความร่มเย็นของพระตอนกลางคืนท่านอบรมพระเนนการแสดงธรรมโดยมากท่านเริ่มแต่ศีลสมาธิ ปัญญาขึ้นไปเป็นขั้นๆอย่างไม่มีจุดหมายว่าท่านจะประจบในธรรมขั้นใดแสดงจนถึงวิมุตติผล้นอันเป็นจุดสําคัญของธรรมแล้วย้อนกลับมาแสดงเกี่ยวแก่ผู้ปฏิบัติว่าจะควรปฏิบตัติตนอย่างไรจึงจะสามารถบรรลุจุดประสงค์ตามธรรมที่ท่านอบรมสั่งสอนการสอนพระในวงปฏิบตัติท่านสอนเน้นลงในความเป็นผู้มีศีลสังวรโดยถือศีลเป็นสําคัญในองค์พระ พระจะสมบูรณ์ตามเพศของตนได้ต้องเป็นผู้หนักแน่นในศีลเคารพในสิขาบทน้อยใหญ่ไม่ลวงเกินโดยเห็นว่าเป็นสิขาบทเล็กน้อยไม่สําคัญอันเป็นลักษณะของความไม่ละอายบาปและอาจล่วงเกินได้ในสิขาบททั่วไปเป็นผู้รักษาวินัยเคร่งครัดไม่ยอมให้ศีลของตนด่างพร้อยขาดทะลุได้อันเป็นเครื่องเสริมให้เป็นผู้มีความอบอุน่นกล้าหาญในสังคมไม่กลัวครูอาจารย์หรือเพื่อน พรมจันทร์จะรังเกียจฤทินิพระในใจจะสมบูรณ์เป็นขั้นๆนับแต่พระโสดาเป็นต้นถึงพระอรหัตได้ต้องเป็นผู้หนักในความเพียรเพื่อสมาธิและปัญญาทุกชั้นจะมีทางเกิดขึ้นและเจริญก้าวหน้าสามารถชำระล้างสิ่งสกปรกรุงรังภายในใจออกได้โดยสิ้นเชิงอันหนึ่งคาว่าพระควรเป็นผู้เยี่ยมด้วยความสะอาดแห่งความประพฤติทางกายวาจา และเยี่ยมด้วยจิตที่สรงไว้ซึ่งคุณธรรมคือสมาธิปัญญาวิมุตตและวิมุตติยานัศนะตามลำดับไม่ควรเป็นพระที่อับเฉาเศร้าใจไม่สงาพาเผยหลบหลบซ่อนซ่อเพราะปมด้อยคอยกระซิบอยู่ภายในมีอะไรลึกลับทำให้ร้อนสมอยู่ในใจนั้นมีใช่พระลูกสิทธิ์พระสถาคตผู้งดงามด้วยความประพฤติภายในภายนอกไม่มีที่ต้องติแต่ควรเป็นพระที่องอาจกล้าหาญ ต่อการละชั่วทำดีดำเนินตามวิถีรอยพระบาทที่าศาสนาพาดำเนินเป็นผู้ซื่อตรงต่อตอนเองและพระธรรมวินัยตลอดเพื่อนฝูงอยู่ที่ใดไปที่ใดมีสุขโทเป็นที่รองรับมีโอชารสแห่งธรรมเป็นที่ซึมซาบมีความสว่างสวายอยู่ด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องส่องทางมาอยู่อย่างจนตรอกหลอกตัวเองให้จนมุมนั่นคือพระลูกศิษย์พระตถากตแท้ควรสนิทศึกษายอย่างถึงใจ ยดไวเป็นหลักอนาคตอันแจ่มใสไร้กงังวลจะเป็นสมบัติที่พึงพอใจของผู้นั้นแน่นอนนี่เป็นปกตินิสัยที่ท่านอบรมพระปฏิบัติหลังจากการประชุมแล้วท่านผู้ใดมีข้อครองใจก็ออกไปศึกษากับท่านเป็นเรื่อยไปตามโอกาสที่ท่านว่างกิจประจำวันซึ่งมีติดต่อการที่ท่านต้องปฏิบัติไม่ลดละไม่ไว่าจะอยู่ในที่ใดคือตอนเช้าออกจากที่ภาวนาแล้ว ลงเดินจงกรมก่อนบินทบาทพอได้เวลาแล้วก็ออกบินทบาทจากนั้นเข้าทางจงกรมเดินจงกรมจนถึงเที่ยงเข้าที่พักพักจะวัดบ้างเล็กน้อยลุกขึ้นภาวนาแล้วลงเดินจงกรมบ่าย4ีโมงเย็นปัดกวาดลานวัดหรือที่พักอยู่ขณะนั้นส่งน้าแล้วเข้าทางจงกรมอีกเป็นเวลาหลายชั่วโมง อ, อกจากที่จงกรมก็เข้าที่ไหว้พระสวดมนต์การสวดมนต์ท่านสวดมาก และสวดนานเป็นชั่วโมงๆเสร็จแล้วนั่งสมาธิภาวนาต่อไปตั้งหลายชั่วโมงคืนหนึ่งหนึ่งท่านพักจำวัดราวสีชั่วโมงเป็นอย่างมากในเวลาปกติถ้าเป็นเวลาพิเศษก็นั่งสมาธิภาวนาตลอดลูกไม่พักจำวัดเลยในวัยหนุ่มท่านทําความเพียรเก่งมากยากจะมีผู้เสมอได้แม้ในวัยแก่ยังไม่ทิ้งลวดลายเป็นแต่ผ่อนลงบ้างตามวิบากที่สุดโสมลงทุกวันเวลา ที่ผิดกับพวกเราอยู่มากคือจิตใจท่านไม่แสดงอาการอ่อนแอไปทำวิบากาธาตุขันเท่านั้นนี่คือวิธีการของท่านผู้ดีเป็นคติแก่โลกดำเนินมาไม่ได้ทอดทิ้งปล่อยวางหน้าที่ของตนนับแต่ต้นเป็นลำดับมาไม่ลดลกความเพียรซึ่งเป็นแรงหนุนอันสาคัญแดนแห่งชายชนะที่ท่านได้รับอย่างพอใจนั้นได้ที่เขาลึกในจังหวัดเชียงใหม่ที่เขียนผ่านมาแล้วเราที่เกิดมาในชาติมนุษย์ ซึ่งเป็นชาติที่พร้อมด้วยคุณสมบัติที่ควรจะได้จะถึงอยู่แล้วแต่ละท่านที่จะได้ประสบความสําเร็จดังใจหมายเช่นท่านที่ได้ประสบมาแล้วจนได้กลายมาเป็นประวัตินั้นแม้จะมีคนมากแทบทั้งโลกสมัยปัจจุบันแต่ผู้จะได้ประสบกับแดนสมหวังดังที่กล่าวมานี้มีจำนวนน้อยมากเหลือเกินแทบจะไม่มีในโลกสมัยปัจจุบันที่แตกต่างกันมากทางนี้เพราะความรู้ความเห็นความขมักขม้น และอิทิบาสีคือฉันทะวิริยะจิตต ม, มิงสาในทางจะให้เกิดผลดังโมงหมายมีมากน้อยต่างกันมากผลที่เกิดขึ้นจึงทำให้ต่างกันมากจนแทบไม่น่าเชื่อทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วแต่เป็นสิ่งที่โลกได้ประจักษ์ตาประจักษ์ใจกันมานานแล้วจนหาทางปฏิเสธไม่ได้นอกจากต้องยอมรับโดยทั่วกันตามสิ่งที่ปรากฏทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นขับตนแต่ละราย ไม่มีทางสลัดปฏิทิ้งได้เท่านั้นท่านพระอาจารย์มั่นเป็นผู้มีประวัติอันงดงามมากในบรรดาครูอาจารย์สมัยปัจจุบันเป็นประวัติที่ทรงดอกทรงผลตลอดต้นชนปลายสวยงามมาทุกระยะน่าเคารพเลื่อมสายของคนทุกชั้นทุกเพศทุกวัยกิติศักดิ์กิติคุณฟุ้งขจรไปถึงไหนเกิดความหอมหวนชวนให้เคารพเลื่อมสายในที่นั้นแต่เป็นที่นาเสดายอย่างยิ่งเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านพุทธศาสนิกชนที่มีความรักใคร่ไฟธรรมไม่ค่อยมีโอกาสได้ทราบและได้เข้าใกล้ชิดสนิทกับท่านซึ่งมีอยู่มากมายทั้งที่ประสงค์อยากพบท่านผู้ดีมีคุณธรรมสูงอยู่ตลอดมาแต่เนื่องจากท่านไม่ค่อยชอบออกมาตามบ้านเมืองที่มีผู้คนชุกชุมท่านเห็นเป็นความสะดวกสบายใจในการอยู่ในป่าในเขาตลอดมาแต่ต้นจนอวาสานแม้ประสงค์ผู้มีความมุ่งมั่นต่ออัธรรมซึ่งมีอยู่มาก ก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้าไปถึงองค์ท่านได้ไง่ายๆเพราะทางลำบากกันดานรถรางไม่มีการเข้าไปหาจนถึงที่อยู่ท่านต้องเดินทางเป็นวันๆผู้ไม่เคยเดินเข้าไปไม่ไหวทั้งความไม่กล้าหาญพอที่จะรับทำอันแท้จริงจากท่านบ้างกลัวท่านจะไม่รับให้อยู่ด้วยบ้างกลัวท่านจะดุบ้างกลัวตัวจะปฏิบัติไม่ได้อย่างท่านบ้างกลัวอาหารการเป็นอยู่จะขาดแคลนกันดานบ้าง กลัวจะฉันมือเดียวอย่างท่านไม่ได้บ้างเรื่องที่เจ็บเป็นอุปสรรคต่อการไปนั้นรู้สึกว่าสร้างไว้อย่างมากมายจนไม่อาจจะฝ่าฝืนได้รอดไปได้ทั้งที่มีความมุ่งหวังอยู่อย่างเต็มใจสิ่งเหล่านี้แหละที่เป็นอุปสรรคต่อตัวเองจึงปล่อยโอกาสให้ผ่านไปโดยไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากความคิดชนิดต่างๆเหล่านี้เลยกระทั่งได้ยินแต่ประวัติท่านที่ไม่มีรูปร่างเหลืออยู่แล้วจึงได้ทราบว่าท่านเป็นพระเช่นไรในวงพระศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลตลอดมานับแต่พระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกลําดับลําดากระลงมาถึงพระสาวกผู้ทรงมรรคทรงผลนับจํานวนไม่ได้ทายทอดกันเรื่อยมาด้วยสุปฏิบัติอุชุยญายสามีจิปฏิบัติอันเป็นเหมือนทานบใหญ่ที่ไหลออกมาแห่งน้ําอมะตะมหานิพพานจากกิตสันดานของทุกท่านผู้ทรงไว้ซึ่งปฏิปทาตามทางศาสนาที่ประทานไว้ท่านพระอาจารย์มั่นเป็นองค์หนึ่ง ในจำนวนภาสาวกอันดับปัจจุบันซึ่งเพิ่งมรณภาพผ่านไปเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2492ถ้ารวมเวลาที่ผ่านไปก็ราว20ปีกว่าเท่านั้นแต่การปรณภาพท่านจะรอลงข้างหน้าเวลาเรื่องท่านดำเนินไปถึงแต่อย่างไรก็ตามการผ่านไปแห่งรูปธรรมนั้นเป็นของมีมาดั่งเดิมทั้งจะมีต่อไปตลอดกาล เมื่อความเกิดของสิ่งสมมติต่างๆยังเป็นไปอยู่ความอัศจรรย์สําคัญที่ยังคงอยู่คือพระเมตตาคุณพระปัญญาคุณและพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าที่สถิตยอยู่กับพระาศาสนาไม่ได้ผ่านไปด้วยแม้เมตตาคุณปัญญาคุณและวิสุทธิคุณของท่านพระอาจารย์มั่นก็คงยังอยู่เช่นเดียวกับของพระาศาสดาเพราะเป็นคุณสมบัติลักษณะเดียวกัน สำคัญอยู่ที่ผู้จะปฏิบัติให้เป็นไปตามพระาว่าที่ท่านประธานไว้จะสามารถตักตรงได้มากน้อยเพียงไรในการอันควรที่กําลังเป็นไปอยู่กับพวกเราเวลานี้นี่เป็นสิ่งที่ยังควรและน่าสนใจอยู่มากสําหรับผู้ยังมีชีวิตครองตัวอยู่ถ้าหาไม่แล้วหมดทุนทางไม่มีสิ่งใดมาแก้ไขให้กลับคืนได้ตอนท่านแก้ปัญหาพี่น้องชานครราชสีมานั้นมีเนื้อความสะดุดใจผู้เขียนตลอดมา จึงขอถือเอาความย่อๆพอลงอีกเล็กน้อยว่าอย่าทําความรู้ความเห็นและความประพฤติทุกด้านเหมือนเราไม่มีป่าช้าอยู่กับตัวอยู่กับบ้านเมืองเราอยู่กับญาติมิตรของเราบทถึงคราเป็นอย่างโลกที่มีป่าช้าทั่วๆไปขึ้นมาจะ แ, แก้ตัวไม่ทันแล้วจะจมลงในที่ตนและโลกไม่ประสงค์อยากลงกันจะคิดจะพูดจะทําอะไรคนระลึกถึงป่าช้าคือความตายบ้างเพราะกรรมกับป่าช้าอยู่ด้วยกันถ้าระลึกถึงป่าชา้า ในขณะเดียวกันได้ระลึกถึงกรรมด้วยพอทําให้รู้สึกตัวขึ้นบ้างอย่าอวดตัวว่าเก่งทั้งๆที่ไม่เหนืออันหน่ายของกรรมแม้อวดไปก็เป็นการทําลายตัวให้หล่มจมไ ป, ปเปล่าๆไม่ควรอวดเก่งกว่าศาสดาผู้รู้ดีรู้ชอบทุกๆอย่างไม่หลบหลกความคลําเหมือนคนมีกิเลส ท, ที่อวดตัวว่าเก่งสุดท้ายก็จนมงของกรรมคือความเก่งของตัวหมายถึงผลร้ายที่เกิดจากการทําด้วยความอวดเก่งของตัวเอง นีฟังแล้วใจสะดุ้งและหมอบยอมจำนวนต่อกรรมจริงๆไม่พยองพองตัวจะลืนตนว่าไม่ใช่คนเดินดินเหมือนโลกโลกเขาจึงได้นำมาลงซ้ำอีกที่ลงมาแล้วบางตอนก็มีบกพร่องบ้างไม่สมบูรณ์ตามที่ท่านอธิบายมาระลึกได้ทีหลังก็มีอย่างนี้เองความรู้ความจำของผู้ตุชนคนหนาไม่หลอกลอนลวงความกวางทำของจริงอยู่อย่างนี้เองจึงขออภัยท่านผู้อ่านไว้ด้วยที่เขียนซ้าบ้างเป็นบางตอน ท่านพระอาจารย์มั่นท่านมีความรู้ความสามารถประสาธทธรรมให้แก่คณะลูกศิษย์ฝ่ายพระเป็นต้นโพต้นไทรขึ้นมาหลายองค์ซึ่งเป็นประเภทที่ปลูกให้เจริญเติบโตขึ้นยากอย่างยิ่งเพราะเป็นประเภทที่ชอบมีอันตรายรอบด้านครูอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ท่านยังมีอยู่หลายองค์ที่ระบุนามมาบ้างแล้วตอนต้นก็มีคือท่านอาจารย์สิงห์ท่านอาจารย์มหาปิ่นอุบลท่านอาจารย์เทศท่าบ่อน้องคาย ท่านอาจารย์ฟั่นสกลนครท่านอาจารย์ขาววัดถ้ำกรองเพนอุดรท่านอาจารย์พรมบ้านดงเย็นอำเภอหนองหานอุดรแต่ท่านมรณภาพไปเมื่อเราเดีวนี้ท่านอาจารย์ลีวัดอโศการามสุตปราการท่านอาจารย์ชอบท่านอาจารย์หลุยจังหวัดเลยท่านอาจารย์อ่อนหนองบัวบานท่านอาจารย์ศรีเชียงใหม่ท่านอาจารย์ตื้อเชียงใหม่ท่านอาจารย์โกงมาสกลนครที่หลวงลืมจำไม่ได้ก็ยังมีอยู่มาก ท่านอาจารย์เหล่านี้ล้วนเป็นผู้มีคุณธรรมในลักษณะต่างๆกันองค์หนึ่งเด่นไปทางหนึ่งอีกองค์หนึ่งเด่นไปทางหนึ่งรวมแล้วท่านเป็นผู้น่ากราบไหว้บูชาอย่างสนิจใจแทบทุกองค์บางท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมีประชาชนพระเนนรู้จักมากบางท่านชอบเก็บตัวและชอบอยู่ในที่สง่าตามอัตยาศัยมรดาลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นบางท่านมีมีสมบัติมากอันนี้หมายถึงคุณธรรมแต่ไม่มีคนค่อยทราบก็มีอยู่หลายองค์ เพราะท่านชอบอยู่อย่า ง, งเงียบๆตามนิสัยนับว่าท่านสามารถปลูกพระให้เป็นต้นโพธิ์ธรรมได้มากกว่าทุกอาจารย์ในภาคอีสานโพธคือความรู้ความฉลาดถ้าเป็นโพธของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าตรัสรู้แต่เป็นอาจารย์ก็ควรเรียกตามฐานะหรือตามวิสัยปราของผู้เขียนว่าโพธิ์ธรรมซึ่งรู้สึกถนัดใจการปลูกพระก็เหมือนที่โลกเลี้ยงลูกปลูกโพธนั่นเองการแนะนําสั่งสอนเพื่อปลูกฝังหลักฐานทางมัญญาตความประพฤติ ตลอดความรู้ความฉลาดทางภายในถึงท่านปกครองเติมได้ไม่มีภัยเข้าไปอาจเอื้อมทำลายได้เพียงแต่ละองค์นับว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เจริญได้ยากมากเพราะการปลูกคุณทําให้ฝังลึกลงในหัวใจของคนมีกิเลสแสนแง่แสน ง, สนงอนนั้นเป็นภาระที่หนักหน่วงท่วงใจผู้เป็นอาจารย์แทบไม่มีเวลาปงหวังได้และต้องเป็นผู้มีอานาจเหนือกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วจึงจะพอมีทางทําให้ผู้มารับการอบรมได้รับความทราบซึ้งถึงใจ และพอใจปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจนิสัยกับทางจะพอมีทางกลมกลื่นกันได้กลายเป็นผู้มีความมั่นคงทางใจไปโดยลําดับลําพังเราก็มีกิเลสผู้มารับการอบรมต่างก็มีกิเลสเต็มตัวด้วยกันยากที่จะมีกําลังชุดลากกันไปให้ถึงที่ปลอดภัยได้จึงอยากจะพูดว่าสิ่งที่ทําได้ยากในโลกมนุษย์เราก็คือการสร้างพระธรรมดาให้เป็นพระที่น่ากราบไหว้บูชาและเสกสรรหรือส่งเสริมให้เลื่อนจากฐานะเดิมของจิตขึ้นสู่พระโลกุตระ คือพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาและพระอาหารหันนั้นยิ่งยากแสนยากขึ้นเป็นขั้นๆดีไม่ดียังไม่แต่กิ่งแต่แข น, นก็ถูกตัวมแมลงมากัดมาใช้มาโค่นรากแก้่รากฝอยให้ให้โค่นลมจมดินอย่างไม่เป็นท่าเสียมากกว่าจะเจริญเป็นต้นเป็นลำขึ้นมาพอทําประโยชน์ได้โดยมากเราเคยเห็นกันมาอย่างนั้นแก่ทั้งนั้นไม่ควรมีรากฝังลึกพอจะทนลมทนฝนทนตัวมแมลงกัดใช้ได้ เราปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆไว้ทําประโยชน์ไม่กี่ปีก็ได้รับผลแต่ปลูกพระนี้กี่ปีคอยแต่จะค่นลมอยู่นั่นเองแม้ไม่มีอะไรมาตอมแต่ตัวเองคอยทายแสหาตัวแมลงมาตอมเพื่อทําลายและตัวก็คอยทําลายตัวเองอยู่แล้วจึงเป็นความเจริญได้ยากในการปลูกพระถ้าไม่เชื่อว่าเป็นความจริงก็เชิญเข้ามาลองบวชบํารุงตนด้วยศีรขาบทกฎบัญญัติที่ประทานไว้ดูนกลัวว่าข้าวเย็นก็จะหิวก่อนเวลาทั้งที่ตะวันยังไม่ตก เที่ยวก็อยากเที่ยวตลอดเวลาทั้งที่ศีษาก็ไม่เหมือนโลกเขาตาหูเป็นต้นตาก็อยากดูอยากฟังอยากดมกลิ่นริมรถสัมผัสสิ่งอ่อนนุ่มภูมิใจไม่มีเวลาอินพ็อตอตลอดเวลาโดยไม่เลือกว่าเชา้าสายบ่ายเย็นอะไรเลยจนลืมว่าตัวเป็นอะไรขณะนี้ส่วนจะสนใจบำรุงต้นโพคือใจให้มีเหตุมีผลดูจักอดทนต่อคำสั่งสอนน้อนเข้ามาฝึกฝนอบรมตนให้มีความสงบเย็นใจนั้นหน้าครูจะไม่สนใจนํพาพลาเส็ยแล้ว ต้นโพคือใจเมื่อขาดการบร่มรงก็มีแต่จะเหี่ยวแห้งยุบย่อบลงโดยลําดับสิ่งคอยทาลายก็นับวันเวลามีโอกาสหักรานไปทุกระยะต้นโพต้นไหนบ้างจะทนตั้งโดยอยู่ได้เพราะโพของพระพระเป็นโพที่มีหัวใจจะต้องโอนไปเอ็งมาตามสิ่งร้าวรานทนไม่ไหวก็ค่นลม้มลงจมดินจมน้ําอย่างไม่เป็นท่าเท่านั้นเองฉะนั้นการปลูกโพจึงเป็นของปลูกยากอย่างนี้ใครไม่เคยปลูกก็ไม่รู้ลิขิตของมัน ซึ่งไม่ค่อยชอบปุ๋ยธรรมดาเหมือนต้นไม้ทั้งหลายแต่แหวกไปชอบปุ๋ยประเภทสังหารทําลายเสิ ม, มากฉะนั้นโพต้นนี้จึงมักอับเฉาและตายได้ง่ายกว่าต้นไม้ชนิดอื่นๆคือตายจากสิ่งทำความดีงาม น, นั่นเองผู้เขียนเคยปลูกและบํารุงมาบ้างและเคยทําลายมาบ้างด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการจึงพอทราบฤทธิ์ของมันว่าเป็นธรรมชาติที่ปลูกยากบำรุงยากคอยแต่จะอับเฉาเหี่ยวแห้งและฉิบหายอยู่ตลอดมา แม้ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่อาจรับรองได้ว่าโพต้นนี้จะเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงไปถึงถึงไหนเพียงไรเพราะปากติก็คอยแใจะจะเสื่อมลงท่าเดียวทั้งๆ้งที่หมองไม่เห็นว่ามีอะไรเจริญขึ้นพอให้เสื่อมลงอันเป็นของคู่กันแต่ยังอุตส่าห์เสื่อมลงได้อยู่นั่นเองปุ๋ยประเภททำลายนี้โพชนิดนี้รู้สึกชอบและสแสวงหามาทำลายตัวเองเป็นประจำแทบมองไม่ทันโดยไม่มีใครมาเกี่ยวข้องและช่วยทำลายดังนั้นท่านที่อุตส่าห์ฟ้า ฟ, าฟืนและทรมานใจให้อยู่ในอำนาจได้ จนกลายเป็นโพขึ้นมาอย่างสมบูรณ์จึงเป็นผู้ที่น่ากราบไหว้สักดิระอย่างถึงใจสมัยปัจจุบันก็มีท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นซึ่งเป็นที่อบอุ่นแก่บรรดาศิลป์โดยทั่วกันทางนี้เพราะท่านสามารถบำรุงรักษาต้นโพท่านไว้ได้จนทรงดอกทรงผลทรงต้นทรงกิ่งและทรงใบไว้ได้อย่างสมบูรณ์และร่มเย็นแก่ผู้เขาอาศัยตลอดมาแม้ท่านปรนละพ า, าผ่านไปแล้วเพียงได้อ่านประวัติก็ยังสามารถทําความดึงดูดจิตใจให้เกิดความเลื่อมใสในท่าน และในธรรมขึ้นอีกมากเรื่หนึ่งท่านยังมีชีวิตอยู่กับพวกเราไม่ได้พัดพรากจากไปไหนเลยฉะนั้นท่านพักจำพรรษาที่วัดโนนิเวศจังหวัดอุดรธานีเป็นเวลาสองพรรษานับแต่จากจังหวัดชิงใหม่มาพอออกพรรษาปีที่สองแล้วคณะสท้าทางจังหวัดสกลนครมีคุณแม่หนุ่มชุวานนเป็นต้นซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์เก่าแก่ของท่านพร้อมกันมาอาราธนานิมนต์ท่านให้ไปโปรดทางจังหวัดสกลนครซึ่งท่านเคยอยู่มาก่อน ท่านยินดีรับอาราธนาคณะสตาทั้งหลายต่างมีความยินดีพร้อมกันอารถมารับท่านไปที่จงศรนครในปลา ย, ายพีพอศ2 4 8 4ท่านไปพักวสุทาวาสศรนครขณะที่ท่านพักอยู่มีประชาชนพระเนรพากันมากราบเยี่ยมและฟังอวาทท่านไม่ได้ขาดท่านพักวาสุทาวาศครั้งนั้นมีผู้มาขอถ่ายภาพท่านไว้กราบไหว้บูชาท่านอนุญาตให้ถ่ายภาพท่านครามมาพักนครราชสีมาครั้งหนึ่ง กราวมาพักที่สกลนครครั้งหนึ่งที่บ้านฟางแดงอำเภอพระทาตุพนมจังหวัดนครพนมคราวกลับจากงานชาพนกิจศพท่านพระอาจารย์เสาครั้งหนึ่งที่ท่านผู้เคารพเลื่อมใสในท่านได้รับแจกไว้สักคระบบูชาทุกวันนี้ก็เนื่องมาจากที่ท่านอนุ ญ, ญาตให้ถ่ายสามวาระนั่นแหลไม่เช่นนั้นก็คงไม่มีอะไรปรากฏเป็นพยานแห่งความเลื่อมใสในทางรูปกายท่านบ้างเลยเพราะปกติท่านไม่ชอบไปถ่ายอย่างง่ายๆกว่าจะอนุญาตให้ใครแต่ละครั้ง ผู้นั้นต้องรู้สึกอื่นอจัจใยอยู่ไม่น้อยต้องนั่งถอยเข้าถอยออกและเปลี่ยนท่าเปลี่ยนที่อยู่หลายครั้งจนเงื่อแตกโชคไปทั้งตัวโดยไม่รู้สึกเพราะเคยทราบมาแล้วว่าท่านไม่ค่อยอนุญาตให้ใครถ่ายเลยดีไม่ดีถ้าเข้าไม่สบโอกาสอาจโดนดุก็ได้จึงต้องกลัวกันทุกรายไปท่านพักวัสุธาวาดพอสมควรแล้วก็ออกเดินทางไปพักที่สนาป่าบ้านนามน์ซึ่งเป็นที่สงัดวิเวกดีทั้งกลางวันกลางคืน หมากับอัธยาสัยท่านที่ชอบเช่นนั้นมาประจํานิสัยพระเนนที่ไปอาศัยอยู่กับท่านเห็นแล้วหน้าเลื่อมสายยังจับใจมีแต่องค์พูดน้อยแต่ชอบสอยมากๆกันทั้งนั้นคือท่านไม่ชอบพูดคุยกันต่างองค์ประกอบความเพียรตลอดเวลาในที่ของตนของตนอยู่ในกระท่อมเป็นหลังๆบ้างอยู่ในที่จงกรมในป่าริมที่พักบ้างถึงเวลาบ่ายสี่โมงเย็นเวลาปัดกวาดลานวัดถึงจะเห็นท่านเดินออกมาจากที่ต่างๆ แล้วปัดกวาดลานวัดโดยพร้อมเพียงกันจากนั้นก็พากันขนน้ําขึ้นใส่ตุ่มล้างเท้าตุ่มล้างบาทและส่งน้ําอย่างสงบเสงี่ยมงามตาต่างองค์ต่างมีท่าอันสํารวมมีสติปัญญาพิจารณาธรรมไปกับปิจวัติธรรมมิได้ละเลิกเผลอตัวคนองปากพูดไปต่างๆพอเสร็จกิจวัดแล้วต่างองค์ต่างเปลี่ยนตัวหาที่บําเพ็ญเพียรในที่และท่าต่างๆประหนึ่งไม่มีพระอยู่ในสมนักเลยฉะนั้น เพราะไม่มองเห็นพระยืนพูดนั่งคุยกันในที่ต่างๆเลยถ้าก้าวเข้าไปในป่าริมสันนักจะเห็นแต่ท่านเดินจงกรมไปมาอยู่บ้านนั่งสมาธิภาวนาอยู่บ้านนั่งทําความสงบอยู่ในกระท่อมเล็กๆบ้างอย่างนั้นเป็นประจําทุกวันเวลานอกจากเวลาประชุมบิณฑบาตและเวลามีกิจจําเป็นอย่างอื่นหรือเวลาฉันจังหันเท่านั้นจึงจะเห็นท่านอยู่รวมกัน แม้ขณะบินทบาีก็ต่างองค์ต่างสำรวมระวังตั้งสติปัญญาใกล้ชิดติดแนบอยู่กับความเพียงไปตามสายทางไม่ได้ไปแบบคนไม่มีสติอยู่กับตัวตาส่งไปในสิ่งโน้นปากพูดพร่ำกับคนนี้อะไรเช่นนั้นในอิรยาบทและความเคลื่อนไหวไปมาของพระท่านเป็นที่เย็นตาเย็นใจหน้าเคารพเริ่มใส่ก่อนฉันต่างพิจารณาอาหารปั จ, จัยที่รวมอยู่ในบัดด้วยอุบายที่เห็นภัยไม่ติดใจในอาหาร ไม่แสดงอาการเพลิดเพลินในอาหารชนิดต่างๆขณะฉันก็ทําความรู้สึกแบบคนมีสติอยู่กับตัวและฉันด้วยท่าสำรวมไม่พูดคุยกันในเวลาฉันและไม่มองโน่นมองนี้การเคบเคี้ยวอาหารก็มีสติระวังไม่ให้มีเสียงดังเกินความงามอันเป็นที่รําคาญแก่ผู้อื่นที่ฉันอยู่ด้วยกันหลังจากฉันเสร็จต่างเก็บสิ่งของบริการและปัดกวาดเช็ดถูที่ฉันให้สะอาดแล้วล้างบาดเช็ดบาดให้แห้งพึงแดดครู่หนึ่งแล้วเก็บไว้ในที่ควร หลังจากนั้นต่างเข้าหาที่วิเวกเพื่อความเพียรคือการฝึกอบรมใจตามแต่เห็นสมควรจะปฏิบัติต่อใจอย่างไรหนักบ้างเบาบ้า ง, างโดยไม่ได้คำนึงถึงกับเวลาเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นและความเพียรว่าทำมากไปหรือน้อยไปจุดที่หมายอย่างน้อยก็หวังให้จิตอยู่ในคำบริกรรมภาวนาที่นามาบังคับหรือกากับให้เป็นอารมณ์ที่พึงพีงเพื่อควาสมสงบเย็นใจหนึ่ง เพื่อบังคับใจให้อยู่ในเหตุผลที่ปัญญาชี้แจงหรืออบรมในกรณีนั้นหนึ่งเพื่อภูมิจิตภูมิธรรมข้นละเอียดขึ้นไปโดยลำดับจนถึงจุดที่หมายหนึ่งองค์ใดอยู่ในภูมิใดก็พยายามอบรมจิตของตนให้ดำเนินไปตามภูมินั้นไม่ลดละความเพียรคำว่าสติย่อมถือเป็นธรรมสำคัญของความเพียรทุกๆประโยคและคาว่าปัญญาก็ย่อมถือเป็นสาคัญในเวลาที่ควรใช้ตามการของตน เพราะปัญญาเป็ น, ป น, ธ, รรปนธรรมจําเป็นไปตามภูมิของธรรมส่วนสติเป็นธรรมจาเป็นตลอดไปในอริยาบทต่างๆการได้ที่ขาดสติการนั้นเรียกว่าขาดความเพียรแม้กําลังเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิอยู่ก็สักแต่ว่าเท่านั้นแต่ไม่ได้เรียกว่าเป็นความเพียรชอบดังนั้นท่านจึงสอนเน้นลงในความมีสติมากกว่าธรรมอื่นๆเพราะสติเป็นรากฐานสําคัญของความเพียรทุกประเภทและทุกประโยคที่ทำจนกลายเป็นมหาสติขึ้นมา และผลิตปัญญาให้เป็นไปตามๆกันภูมิต้นเพื่อความสงบต้องใช้สติให้มากภูมิต่อไปสติกับปัญญาควรเป็นธรรมควบคู่กันไปตลอดสายท่านอาจารย์มั่นท่านสอนพระให้เดีดเด่ยวๆอาศรานมากใครไม่ตั้งใจจริงจังอยู่กับท่านไม่ค่อยได้เราหกเจ็ดคืนมีการประชุมธรรมครั้งหนึ่งคืนนอกนั้นท่านเปิดโอกาสให้พระเนนเร่งความเพียรผู้ใดมีข้อคงใจไปเรียนถามท่านได้โดยไม่รอจนถึงวันประชุม ขณะอยู่กับท่านบรรยาการรู้สึกอบอุ่นไปได้อัดไปไดรทำประนึ็นมากผลนิพานราวกับอยู่แค่เอื้อมมือเพราะความอบอุ่นและความมุ่งมั่นมีกำลังกล้าต่างองค์ต่างเป็นเครื่องพยุงจูงใจกันในทางความเพียตรตอบบรรย่าที่แสดงออกราวกับต่างองค์ทางเอื้อมเพื่อบรรลุมมผลนิพานด้วยกันจึงต่างองคต่างมีความขยันหมั่นเพียรมากกลางวันกับกลางคืนเหมือนเป็นราตรีเดียวในการประกอบความเพียรของพระทั้งหลาย ถ้าเดินมืดก็มองเห็นไฟโคมที่จุดด้วยเทียนขายสว่างสวยอยู่ทั่วบริเวณถ้าเดินงายก็ยังพอสังเกตได้ในการประกอบความเพียรของท่านซึ่งต่างองค์ต่างเร่งไม่ค่อยหลับนอนกันเฉพาะองค์ท่านพระอาจารย์มั่นท่านสวด ม, มนต์ภาวนาเก่งไม่แพ้ใครเลยสวดมนต์เป็นชั่วโมงๆถึงจะหยุดและสวดเป็นประจำทุกคืนไม่ได้ขาดสวดยาวๆเช่นธรรมจักและมหาสมัยเป็นต้นท่านสวดเป็นประจำนอกจากนั้น เวลามีโอกาสท่านยังแปลให้เราฟังอีกด้วยแต่การแปลโู่ต่างๆท่านแปลเองภาพปฏิบัติโดยมากคือแปลเอาใจความเลยทีเดียวไม่ค่อยเป็นไปาตามวิพัตปัจจัยธาตุอายตนะนิบาศเพื่อรักษาสับแสงเหมือนพวกเราแปล ก, กันแต่กลับได้ความชัดและเห็นจริงตามท่านอย่างหาที่คานไม่ได้เลยจึงเกิดอัรยาศัยอย่างลึกๆว่าการเรียนสับเปลี่ยนแปลท่านไม่ค่อยได้เรียนมากมายอะไรนักแต่เวลาแปลทําไมท่านแปลเก่งความมหาป ร, รินสิทธิ์ พอยกศัพท์ปุ๊บก็แปลปั๊บในขณะนั้นอย่างคล่องแคน่วว่องไวแทบฟังไม่ทันเช่นท่านยกศัพท์ธรรมจากหรือมหาสมัยสุดขึ้นแปลเป็นบางตอนที่สัมผัสกับธรรมท่านในเวลาเทศน์นั้นท่านแปลอย่างรวดเร็วทันใจเรากับได้ปเปลี่ยน10ประโยคฉะนั้นที่ไม่อยากว่าเก้าประโยคตามที่นิยมกันก็เพราะเคยได้ฟังท่านที่สอบได้ปเปลี่ยน9้าประโยคแปลมาบ้างแล้วเวลาแปลยังอึกอึอักอและแปลเชื่องช้ามากกว่าจะได้แต่ละศัพท์ประแสงรู้สึกกินเวลานาน นอกจากนั้นยังไม่แน่ใจในคําแปลของตนอีกด้วยก็มีส่วนท่านทั้งแปลก็รวดเร็วทั้งอาจหาตวัวความจริงที่แปลออกมาทั้งเคยได้เห็นผลจากความหมายแห่งธรรมนั้นๆมาแล้วอย่างประจับใจจึงไม่มีความสะทกสะท้านในการแปลแม้คาถาที่ผุดขึ้นจากใจท่านเป็นคําบาลีก็ยังมีแปลกจากบาลีอยู่บ้างไม่ตรงกันทีเดียวเช่นวาทารุขานับพับโตเป็นต้นท่านแปลว่าลมพัดต้นไม้ทั้งหลายให้แหลกวิจุนไปแต่ไม่สามารถพดัดภูเขาหินให้วันไหวได้ ดังนี้รู้สึกจะเป็นเชิงอักธรรมที่ผุดขึ้นทั้งความหมายที่นําออกมาแปลให้เราฟังการกล่าวเกี่ยวกับประเรียนประโยคเก้าประโยคสิบนั้นกล่าวไปตามภาษาประาตามนิสัยอย่างนั้นเองกรุณาให้อภัยอย่าได้ถือสาผู้เขียนซึ่งเป็นพระป่าเหมือนว่านอนที่เคยชินกับปามาแต่วันเกิดแม้จะจับมาเลี้ยงอยู่กับมนุษย์จนเชื่องชินก็คงเป็นนิสัยของตัวอยู่นั่นแหลไม่อาจเปลี่ยนแปลงตัวเองและมันยากให้เหมือนมนุษย์ได้ แม้การแปลของท่านกับผองพวกเราที่ผู้เขียนบางอาจนำมาลงก็กรุณาให้อภัยด้วยซึ่งอาจจะเห็นว่าสูงไปหรือต่ำไปที่ไม่ควรอาจเอื้อมนำมาลงท่านพักบ้านนาโมลพอควรแล้วก็มาพักและชำสาธิ่บ้านโคกซึ่งห่างจากบ้านนาโมลราวสองกิโลเมตรที่บ้านนี้มีความสงัดพอสมควรแต่อยู่ห่างจากหมู่บ้านไม่ถึงกิโลเมตรเพราะหาทำเลยากบ้างทั้งสองแห่งนี้มีพระเนนอยู่กับท่านไม่มากนัก ราวสิบเอ็ดสบสององเท่านั้นพอดีกับเสนาสนะตอนที่ท่านมาพักบ้านโคกผู้เขียนก็ไปถึงท่านพอดีท่านในเมตารับวายแบบขอนสูงทั้งท่อนไม่เป็นท่าเป็นทางอะไรเลยอยู่กับท่านแบบทัพพีอยู่กับแกงเราดีๆนี่เองคิดแล้วน่าอับอายขายหน้าที่พระสูงทั้งท่อนไปอยู่กับท่านผู้ฉลาดปราดเปืองเรื่องเรือระเบือทั่วดทั้งจักรวาลเบื้องบนเบนืบ้องล่างแต่พอเบาใจหน่อยในการเขียนประวัติท่านไม่ติดท่านอันตู้นัก เหมือนที่เราแล้วมาซึ่งไปเที่ยวจดและอัฐเทพเอาจากพระอาจารย์ทลากหลายในที่ต่างๆซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่เคยอยู่กับท่านมาในยุคนั้นๆนับแต่เที่ยวจดบันทึกอยู่กว่าจะได้มาลงเป็นอักษรให้ท่านได้อ่านก็เสียเวลาไปเป็นปีๆแม้เช่นนั้นยังต้องมาเรียงตามําดับการสถานที่เท่าที่จดจําได้กว่าจะเข้ารูปรอยพออ่านได้ความก็แย่ไปเหมือนกันที่จะเขียนต่อไปนี้แม้เรื่องราวของท่านจะไม่ประทับใจท่านผู้อ่านเท่าที่ควร แต่ก็ยังเบาใจสำหรับผู้เรียบเรียงอยู่บ้างเพราะได้รู้เห็นท่านด้วยตาตนเองตลอดมาจนวาระสุดท้ายท่านพาหมู่คณะสมาชที่สำนักป่าบ้านโคกด้วยความผาสุกทั้งทางกายและจิตใจไม่มีการเจ็บไข่ในทุกตลอดพรรษาขณะที่พักอยู่ทั้งในและนอกพรรษามีการประชุมธรรมเป็นประจำหกเจ็ดคืนต่อครั้งการแสดงธรรมแต่ละครั้งน่าจสองชั่วโมงขึ้นไปถึงสามสี่ชั่วโมง ผู้ฟังนั่งทําจิตตภาวนาไปพร้อมอย่างเพลิดเพลินลืมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าในขณะฟังธรรมท่านแม้องค์ท่านเองก็รู้สึกเพลิดเพลินไปด้วยในการแสดงธรรมแก่พระเนรแต่ละครั้งท่านแสดงอย่างถึงเหตุถึงผลและถึงใจผู้ฟังซึ่งมุงต่อัดทำจริงๆทำที่ท่านแสดงล้วนถอดออกมาจากใจที่รู้เห็นมาอย่างประจักษ์แล้วทั้งนั้นจึงไม่มีอะไรที่น่าสงสัยว่าไม่เป็นความจริงนอกจากจะสามารถปฏิบัติได้อย่างท่านแสดงหรือไม่เท่านั้น ขณะที่ฟังท่านแสดงทําให้จิตประวัติถึงครั้งพุทธกาลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุบริษัทโดยเฉพาะในสมัยนั้นแน่ใจว่าพระองค์ทรงหยิบยกเอาแต่ธรรมหาสมบัติคือมรรคผลนิพพานออกแสดงล้วนๆไม่มีธรรมอื่นแอบแฝงอยู่ในขณะนั้นเลยจึงสามารถทําให้ผู้ฟังบรรลุมรรคผลนิพพานไปตามๆกันไม่ขาดวักขาดตอนตลอดวันเสด็จดับขันตรรินิพพานเพราะพระพุทธเจ้าผู้ประกาศธรรมก็เป็นผู้ทรงความบริสุทธิ์สุดส่วนแห่งธรรมในพระไทย พระธรรมที่แสดงออกก็เป็นธรรมประเสริฐอัศจรรย์ทรงมากทรงผลล้วนผู้ฟังจึงกลายเป็นผู้ทรงมากทรงผลไปตามๆกันท่านอาจารย์มั่นแสดงธรรมโครล้วนเป็นธรรมปัจจุบันกลั่นกรองออกใจใจล้วนไม่ได้แสดงแบบลูกลุกคำคลำคลำดำคำขาวออกมาให้ผู้ฟังซึ่งต่างมีความสงสัยอยู่แล้วให้เพิ่มความสงสัยยิ่งขึ้นแต่กลับเป็นธรรมเพื่อทําลายความสงสัยนั้นๆให้ทลายหายไปทุกระยะที่แสดงผู้ฟังธรรมประเภทอัศจรรย์จากท่าน จึงมีทางมาทำกิเลสไปได้มากมายยิ่งกว่านั้นก็มีทางให้สิ้นความสงสัยโดยประการทั้งปวงเสียได้วันที่ไม่มีการประชุมธทำพอขึ้นจากทางจงกรมราสองทุ่มจะได้ยินเสียงท่านทำวัดสวดมันตเบาๆทุกคืนเป็นเวลานานๆานกว่าจะจบและนั่งสมาธิภาวนาต่อไปจนถึงเวลาท่านจำวัดถ้าวันที่มีการประชุมจะได้ยินตอนหลังจากเลิกประชุมแล้วทุกคืนเช่นเดียวกันและได้ยินท่านสวดอยู่เป็นเวลานา น, านเช่นเดียวกับคืนที่ท่านสวดแต่หัวค่ำ วันเช่นนั้นท่านต้องเลือนการจำวัดไปพักอัตรดึกดึกราวเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งนาฬิกาบางครั้งผู้เขียนที่นึกนองบ้าขึ้นมาพอได้ยินเสียงท่านสวดนอนก็แอบเข้าไปฟังบ้างเพื่อทราบว่าท่านสวดสูตรใดบ้างถือได้นานนักหนากว่าจะจบแต่ละคืนพอแอบเข้าไปใ ก, กล้เพื่อจะฟังให้ชัดแต่ท่านกลับหยุดนิ่งไปเสียเฉยนี่เองพอเห็นท่าไม่ดีเราก็รีบออกมายืนรอฟังอยู่ห่างๆหน่อยพอถอยออกมาท่านก็เริ่มสวดขึ้นอีก เราก็แอ บ, บเข้าไปฟังอีกท่านก็หยุดนิ่งไปอีกเลยไม่ทราบชัดว่าท่านสวดสูตรใดกันบ้างท่านจะขืนดื้อแอ บ, บรอฟังอยู่ที่นั้นนานๆก็กลฟ้าจะพาลงที่นั้นคือตะโกนดูออกมาในขณะนั้นแม้เช่นนั้นพอตื่นเช้าเวลาท่านออกจากที่พักมาเรามองดูท่านยังไม่เต็มตาเลยท่านเองก็มองดูเราด้วยสายตาอันคมกล้าหน้ากลัวมากเลยเข็ดแต่วันนั้นไม่กล้าไปแอ บ, บฟังท่านสวดมนต์อีกต่อไป กลัวจะโดนอะไรอย่างหนักๆเท่าที่สังเกตดูถ้าขืนไปแอบฟังท่านอีกมีหวังโดนอะไรแน่ๆข้อนี้มาทราบเรื่องท่านได้ชัดเมื่อภายหลังว่าท่านทราบเรื่องต่างๆได้ดีจริงๆคิดดูเวลาเราไปยืนทรงจิตจดจ้องมองท่านแบบไม่มีสติเช่นนั้นท่านจะไม่ทราบอย่างไรเล่าต้องทราบอย่างเต็มใจทีเดียวเป็นแต่ท่านรอฟังดูเหตุการณ์กับพระที่เดือไม่เข้าเรื่องไปก่อนหากยังขืนทําอย่างนั้นอีกต่อไปท่านถึงจะลงอย่างหนักที่แปลกใจอยู่มากคือ เวลาเราแอบเข้าไปทีไรท่านต้องหยุดสวดทุกครั้งแสดงว่าท่านทราบได้อย่างชัดเจนทีเดียวกลางวันวันหนึ่งซึ่งผู้เขียนไม่ถึงใหม่ๆกาลังกลัวท่านเป็นกําลังเพออิญเอ็นอกายลงเลยเคลิ้มหลับไปขณะที่เคลิมหลับไปนั้นปรากฏว่าท่านมาดุใหญ่ว่าถ้ามานอนเหมือนหมูอยู่ทําไมที่นี่เพราะที่นี่ไม่ใช่โรงเลี้ยงหมูผมจึงไม่ส่งเสริมพระที่มาเรียนวิชาหมูเดี๋ยววัดนี้จะกลายเป็นโรงเลี้ยงหมูไปดังนี้ เสียงท่านเป็นเสียงตะโกนดุดาคู่เข้นให้รบคลัวเสียด้วยจึงสะดุ้งตื่นทั้งหลับและโผล่หน้าออกมาประตูมองหาท่านทั้งตัวสั่นใจสั่นแทบเป็นบ้าไปในขณะนั้นเพราะปกติก็กลัวท่านแทบจังตัวไม่ติดอยู่แล้วแต่บังคับตนอยู่กับท่านด้วยเหตุผลที่เห็นว่าชอบทำท่านนั้นแถมท่านยังนํายาปราบหมูมากรอกไว้อีกนึกว่าสลบไปในเวลานั้นพอโผล่หน้าออกมามองโน้นมองนี้ไม่เห็นท่านมายืนอยู่ตามที่ปรากฏจึงค่อยมีลมหายใจขึ้นมาบ้าง ก็ได้โอกาสจึงไปกราบเรียนความเป็นไปถวายท่านท่านแก้เป็นอุบายปลอบโยนดีมากแต่เราคิดว่าไม่ค่อยดีนะักในบางตอนซึ่งอาจทําให้คนนอนใจประมาทเมื่อได้รับคําปลอบโยนที่เคลือบด้วยน้ําตาลเช่นนั้นท่านอธิบายนิมิตให้ฟังว่าเรามาหาครูอาจารย์ใหม่ๆประกอบกับมีความระวังตั้งใจมากเวลาหลับไปทําให้คิดและฝันไปนอย่างนั้นเองที่ท่านไปดูว่าเราเหมือนหมูนั้นเป็นอุบายของพระธรรมท่านไปเตือน ไม่ใหเรานำลัทธินิสัยของหมูมาใช้ในวงของพระและพระาศาสนาโดยมากคนเราไม่ค่อยคํานึงถึงความเป็นมนุษย์ของตัวว่ามีคุณค่าเพียงไรเวลาอยากทําอะไรทําตามใจชอบไม่คํานึงถึงความผิดถูกชั่วดีจึงเป็นมนุษย์เต็มภูมิได้ยากที่โบราณท่านว่ามนุษย์ขาดตาเตงตาช่างไม่เต็มบาทนั้นคือไม่เต็มตามภูมิของมนุษย์นั่นเองเพราะเหตุแห่งความไม่รู้สึกตัวว่าเป็นมนุษย์ที่มีคุณสมบัติสูงกว่าสัตว์จึงทําให้มนุษย์เราตามลงทางความประพฤติ จนกลายเป็นคนเสียหายที่ไม่มีอะไรวัด ร, ระดับได้เหลือแต่ร่างความเป็นมนุษย์เจ้าตัวยังไม่รู้ว่าตนได้เสียไปแล้วเพราะเหตุนั้นผู้ที่ควรจะมีสติปัญญาพิจารณาตามได้บ้างพระธรรมท่านมาสั่งสอนดังที่ท่านปรากฏนั้นเป็นอุบายที่ชอบทําดีแล้วจงนําไปเป็นสติเตือนใจตัวเองเวลาเกิดความเกียดคร้านขึ้นมาจะได้นําอุบายนั้นมาใช้เตือนสติกําจัดมันออกไปนี่ไม่เช่นนี้เป็นของดีหายากไม่ค่อยปรากฏแก่ใครง่ายๆ ผมชอบนิมิตหนองนี้มากเพราะจะพลอยได้สติเตือนตนมิให้ประมาทอยู่เนืองเนืองความเพียรจะได้เร่งรีดจิตใจจะได้สงบอย่างรวดเร็วถ้าท่านมหานาอุบายที่พระธรรมท่านมาเทศน์ให้ฟังไปปฏิบัติอยู่เสมอเสมอใจท่านจะสงบได้เร็วดีไม่ดีอาจถึงทำก่อนพวกที่ปฏิบัติมาก่อนเหล่านี้ด้วยซ้ํานิมิตที่เตือนท่านมหานั้นดีมากมิใช่นิมิตที่สาบแช่งแบ่งเวรนทางไม่ดีเรามาอยู่กับครูอาจารย์อย่ากลัวท่านเกินไป ใจจะเดือดร้อนนั่งนอนไม่เป็นสุขผี่ถูกประการใดท่านจะสั่งสอนเราไปตามจารีแห่งธรรมการกลัวท่านอย่างไม่มีเหตุผลนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยจงกลัวบาปกลัวกรรมที่จะนําทุกข์มาเผารนตนให้มากกว่ากลัวอาจารย์ผมเองไม่ได้เตรียมรับหมู่คณะไว้เพื่อดูดักเขี้ยนตีโดยโดยไม่มีเหตุผลที่ควรการฝึกทรมานตัวก็ทําไปตามครองธรรมที่ท่านแสดงไว้การอบรมสั่งสอนหมู่คณะก็จําต้องดําเนินไปตามหลักธรรมคือเหตุผล ถ้าปลีกแยะจากทางนั้นโอบเป็นความผิดไม่เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายชนะนินมนอยู่เย็นใจและประกอบความเพียรให้เป็นชิ้นเป็นอันอย่าลดละท้อถอยความเพียรทำเป็นสมบัติกลางถ้าเป็นสมบัติของทุกคนที่ใค ร, ร่ต่อทำเพราะพระเจ้าไม่ได้ผูกขาดไว้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่มีสิทธิครอบครองเป็นเจ้ของได้ด้วยการปฏิบัติ ด, ดีของตนด้วยกันอย่าลืมนิมิตอันดีงามซึ่งเป็นมงคลอย่างนี้เพสียจงระลึกถึงอยู่เสมอลาทธินิสัยหมูจะได้ห่างไกลจากพระเรา มาผลนิพพานจะนับวันใกล้เข้ามาทุกเวลานาทีแดนแห่งความพ้นทุกจะปรากฏเฉพาะหน้าในวันหรือเวลาหนึ่งแน่นอนนีไม่พ้นผมยินดีและ อ, น, อนโมทนาด้วยนิมิตท่านมหาอย่างจริงใจแม้ผมสั่งสอนตัวผมเองก็สั่งสอนแบบเผ็ดร้อนถนองนี้เหมือนกันและชอบได้วายต่างๆจากอุบายเช่นนี้เสมอมาจึงจําต้องใช้วิธีแบบนี้บังคับตัวตลอดมาแม้บางครั้งยังต้องสั่งสอนหมู่คณะโดยวิธีนี้เหมือนกัน มี่เป็นคําอธิบายแก่นิมิตที่ท่านใช้ปลอบโยนเด็กที่เริ่มฝึกหัดใหม่ๆกลจะเสียใจและท้อถอยป่อวางความเพียรเปียนไปเป็นมิตรกับหมูท่านจึงหาอุบายสอนแบบนี้นับว่าท่านแยบคายในเชิงการสอนมากยากจะหาผู้เสมอได้แม้ขณะที่ไปหาท่านซึกเป็นขนาที่จิตกาลังเจริญแล้วเสื่อมเสื่อมแล้วกลับเจริญและเป็นขณะที่กําลังได้รับความทุกร้อนและกระวนกระวายมากท่านก็มีอุบายสั่งสอนแบบอารมณ์ไปตามถนองนี้เหมือนกัน คือเวลาไปกราบท่านท่านถามว่าจิตเป็นอย่างไรถ้าเป็นขณะที่จิตกำลังเจริญก็เรียนท่านว่าระยะนี้กําลังเจริญท่านก็ให้อุบายว่านั่นดีแล้วจงพยายามให้เจริญมากๆจะได้พ้นทุกข์เร็วๆถ้าเวลาจิตกําลังเสื่อมไปหาท่านท่านถามว่าจิตเป็นอย่างไรเวลานี้เราเรียนท่านตามตรงว่าวันนี้จิตเสื่อมไปซะแล้วไม่มีร่องรอยแห่งความสุขเหลืออยู่เลยท่านแสดงเป็นเชิงเสียใจไปด้วยว่าน่าเสียดายมันเสื่อมไปที่ไหนกันนาะ เอาเถอะท่านอย่าเสียใจจงพยายามทำความเพียรเข้าหมากเดี๋ยวมันจะกลับมาอีกแน่ๆมันไปที่อยู่เฉยๆพอเราเร่งความเพียรมันก็กลับมาเองหนีจากเราไปไม่พ้นเพราะจิตเป็นเหมือนสุนัขนั่นแหลเจ้าของไปไหนมันต้องติดตามเจ้าของไปจนได้นี่เธอเร่งความเพียรเข้าให้มากจิตก็ต้องกลับมาเองไม่ต้องติดตามมันให้เสียเวลามันหนีไปไหนไม่พ้นเราแน่แนจงพยายามทำความเพียรเข้าให้มากเชียวมันจะกลับมาในเราเร็วนี่แลไม่ต้องเสียใจให้มันได้ใจ เดี๋ยวมันว่าเราคิดถึงมันมากมันจะไม่กลับมาจงปล่อยความคิดถึงมันเสียแล้วให้คิดถึงพุทโธติดติดกันอย่าลดละพอบริกรรมพุทโธทียิบติดติดกันเข้ามันวิ่งกลับมาเองคราวนี้แม้มันกลับมาก็อย่าปล่อยพุทโธมันไม่มีอาหารกินเดี๋ยวมันก็วิ่งกลับมาหาเราจึงนึกพุทโธเพื่อเป็นอาหารของมันไว้มากๆเมื่อมันกินอิ่มแล้วต้องพักผ่อนเราสบายขณะที่มันพักสงบตัวไม่วิ่งว่นขวนเครืองที่ยวาหาไฟมาเผาเรา ทำจนไล่มันไม่ยอมหนีไปจากเรานั่นและพอดีกับใจตัวหิวโหยอาหารไม่มีวันอิ่มพอถ้าอาหารพอกับมันแล้วแม้ไล่หนีไปไหนมันก็ไม่ยอมไปทำอย่างนั้นแลจิตเราจะไม่ยอมเสื่อมต่อไปคือไม่เสื่อมเมื่ออาหารคือผู้โทรพอกับมันจงทำตามแบบที่สอนนี้ท่านจะได้ไม่เสียใจเพราะจิตเสื่อมแล้วเสื่อมเล่าอีกต่อไป